บทภาชนีติกะปาจิตตีหนึี่สได้รับนิมนต์แล้วภิกษุณีสําคัญว่าได้รับนิมนต์แล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องบัตรปาจิตตีได้รับนิมนต์แล้วภิกษุณีไม่แน่ใจเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องบัตรปาจิตตีได้รับนิมนต์แล้วภิกษณุณีสําคัญว่ยายังไม่ได้รับนิมนต์ เคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องอบัตปาจิตตีทุกทุกกฎพิกษณีรับประเคนยามากาลิกสัตตาหกาลิกยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกฎทุกทุกคำกลืน